ใช้ผืนนั้นเวลาบินทบาทของผ้าไปบินทบาทแต่เมื่อท่านยังหนุ่มท่านคลองทั้งสังขาติและจีบอลถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกอากาศไม่ตกไม่มีฝนทั้งก็คลองผ้าทั้งสังขาติและจีบอล <c oughs> เขาไปในบ้านแต่พอมาถึงเราก็รีบรับผ้าท่านพอมาถึงท่านจะครองผ้าเดินมาเรื่อย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 อาต่วันนี้คือลาวผ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปตักซ้ำซ้อนไม่ได้อ่าอย่างที่สังอยู่ที่ศาลาก็เหมือนกันศาลาเนี่ยอยู่ที่ศาลาห้ามไม่ให้ใครตักบนฉล า, าเพราะเป็นลาวผ้าขององค์หลวงตาจะเป็นผ้าจีวรผ้าอาบหน้าผ้าอะไรถ้าเราซักเราจะขึ้นไปตากตรงนั่นละ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 เห็นพระอานน์เดินเข้ามาทั้งนั้นน่ะถือตะพดวิ่งแป้นออกไปเลยไหอพระองค์นี้จะมาลบกวนพระพุทธเจ้าเนี่อมาลบกวนนั่นเหรอพระองค์เอ้ยปาลายยศอันนั้นคือเป็นพุทธอุปถากเรายศก่อนนะช้างก็ถอยหลังหยุดวางขนาดวางรถแล้วอย่ามองอีกนะ พระองค์นี้จะรู้จักวัดหรือเปล่าจะไปวางบริขารไว้ในที่นั่งพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าวางไว้บริขารเ น, นี่ข้าจะเอาตะพดตีหัวพระองค์นี้ฮะไม่รู้จักที่สูงที่ต่ําำโว้ะไม่ใช่ธรรมดาเนะช้างปาเลไล่ผ้าก็เหมือนกันจะไปพาดทิศราวหรือสายจดียงของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าขืนผากไปนั้น่ะอตอนโดนตีหัว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 เราจะต้องเรียนจะ ต, ต้องศึกษาเพราะถาปรักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเรียนต้องศึกษาไปเรื่อยๆถวเว้นเสียถผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่เข้ามาแล้วนะ่พอท่านพูดท่านแสดงทำให้ฟังเป็นเกดเล็กเก็ดน้อยก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแต่ถ้าหากว่าพวกเราในบอมเพนบารมียังไม่แก่กล้าก็พยายามทำ